พระธรรมเทศนาแผ่นที่85ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าปวารณาเปิดใจให้ติดเตียนกันได้ วันนี้เป็นวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันขึ้น13ค่าแล้วก็วันเป็นวันที่่25เป็นวันที่27เป็นวันออกพรรษานะคณะัตหาญาโยมวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันปงแล้วว่าเป็นวันโกนอม และก็วันที่27เเป็นวันปวารณาออกพรรษาของพระพระทั้งหลายทั่วประเทศจะมีการปรวารณาคำว่าปวารณาคำนี้ลูกหลานก็คงจะฟังฟังนั้นเป็นสัพทภาษาบาลีเป็นภาษาที่พวกเราได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าความหมายคำว่าปวารณาออกพรรษา คือภาวนาออกพรรษานี่ยคือในครั้งประพุทธเจา้าในครั้งพุทธการเมื่อออกพรรษาแล้วก็เมื่อออกพรรษาแล้วอออานะบางคนก็ต่างคนก็ต่างไปออกพรรษาแล้วนะบางทีก็มีเรื่องขัดข้องมองใจของพระสงฆ์ก็ยังมีอยู่เพราะพระสงฆ์ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะในใจิตใจเพราะนั้นเวลาจะออกพรรษาพระพุทธองค์จึงบัญญัติวินัยขึ้นมา เมื่อเมื่อออกพรรษาวันปวนารณาถ้าหาพระสงฆ์อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขจะยืดไปอีกก็ได้เออเราออกพรรษาพวกเราจะได้แยกย้ายกันออในการปฏิบัติของพวกเรารู้สึกว่ามีการปรึกษาปารบกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งรู้สึกว่าอบอุ่น เ, ออเราไม่ขอออกพรรษาเดือนนี้ละ เ, ออเดือนสิบเอ็ดแ่น เราขยับไปอีกเป็นเดือน12เพนท์อีกสักเดือนนึงเพื่อการอยู่ร่วมกันเพื่อพวกเราจะได้ปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันธรรมะฉากัะฉาซึ่งกันและกันก็ยังยั ง, ย, งยังออกไปได้ยังขยับออกไปได้เพราะว่าการอยู่ด้วยกันด้วยความด้วยความผาสุขอยากจะได้ปรึกษาธรรมะ ซึ่งกันละกันอันนี้ก็ถ้าหากว่าออกพรรษาและต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันก็น่าเสียดายที่พวกเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแนะนำสั่งสอนกันให้ถึงอัดถึงธรรมถึงจุดมุ่งหมายของพวกเราตั้งใจอันนี้ก็ยังมีในพระวินัยของพระพุทธเจ้านะแต่ใ น, นถ้าว่าตามปกติแล้วจะมีวันออกพรรษากับวันเดือนส1เอ็นสเดือนพอดีและเกเดือนหนึ่งเดือนบเพน เป็นอาจอากออกตั้งแต่ออกพรรษาเป็นหนึ่งเดือนท่านให้สาะสองหาผ้าคือผ้าพระสงฆ์หนึ่งต่มก่อนหาผ้าลำยากลําบากไม่มีโรงงานมีตะกี้กระตุกาทาผ้าขึ้นมาแล้วก็พระสงฆ์ก็มีมากแล้วก็ผ้าก็ผื้นใหญ่อีกต่างหากแต่นี้ก็ต้องได้เก็บผ้าสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องสาะสองหาผ้า บางทีก็ผ้าตกหล่นผ้าอยู่ในป่าช้าผ้าห่อศพคนได้มาแล้วก็มาม า, มาชักมาทำความสะอาดมาเย็บปะติดปะต่อกันอนไรว่าผ้าบางสกุลแต่ถ้าหากว่าเป็นผ้าสังกะเฉินกะนัดศรธายญาติโยมรวมกันทอดขึ้นรวมกันแล้วก็ทอดผ้ากระถินถวายพระสงฆ์อันนั้นแปลว่าผ้าที่รับ ปคตินหรือว่าผ้ากะหับดีจีบอลเนมีผู้ถวายสจปแล้วก็คือเดือนอีกเดือนหนึ่งตั้งแต่ออกพรรษาไปเป็นเดือนที่เสาะแสวงหาผ้าสําหรับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์สมัยนั้นยากมากแล้วก็หาผ้ายากอีกต่างหากพระพรุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยให้เสาะแสวงหาผ้าในเดือนสุดท้ายในเขตฤดูฝนคือฤดูฝนมีอยู่สี่เดือน ตั้งแต่เดือนแปดเพนจนถึงเดือนสิบสองเพนแต่เดือนสิบเอ็ดเพนนี่ยแปลว่า เ, เป็นวันออกพรรษาอีกยังเดือนหนึ่งจึงจะสิ้นเดือนสิ้นฤดูฝนอจากนั้นก็เข้าเขตฤดูหนาวแล้วสิถ้าผ่านไปเดือนสิบสองเพนลอยกระทงแล้วก็เข้าเขตฤดูหนาวจนไปถึงเดือนสี่เพนจากนั้นก็เข้าเขตฤดูร้อนอคือฤดูของเรามีอยู่สามฤดู ฤดูฝนสี่เดือนฤดูหนาวสี่เดือนฤดูร้อนสี่เดือนสี่สามสิบสองเป็นสิบสองสิบสองเดือนปีหนึ่งฮะนี่แหละคือแต่ใ น, นเมื่อออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนเนี่ยอีกไม่กี่วันวันนี้เป็นเฟนที่ยี่ห้านะวันที่ยนะี่สิบเจ็ดเป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาตอนบ่ายพระสงฆ์หรือว่าตอนบ่ายหรือว่าในวันนั้นละ่ะวันที่ยนะี่สิบเจ็ด ตั้งแต่เช้าตั้งแต่พระอรุณขึ้นมาพระสงฆ์ก็ได้รวมกันประวารณาทั้งวันจนถึงวันวันรุ่งอรุณขึ้นวันต่อไปอันนั้นแปลว่าคือทางฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยเขานับท่านจันทรกติคือนับทางพระจันทร์คือวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องนับพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมาแสงเงินแสงทองขึ้นมาแปลว่าเป็นวันใหม่ แล้วคนไปทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนจนถึงแสงสว่างขึ้นมาอีกอันนั้นเขาเขาเรียกว่าวัดนำ้ำนับวันต่อไปอแต่ถ้าหากว่าอย่างพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังเป็นวันนั้นอยู่อันนี้คือการนับวันของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์แต่ในเมื่อพระสงฆ์ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพระสงฆ์ก็รวมประชุมกันอย่างพระ ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยขณะนี้มีอยู่ห้าสบสองค์นะปวดเข้ามาใหม่สองแต่พระที่ปวดเข้ามาใหม่ ท, ามาหมท่านมาให้ประวรณาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ผ่านพรรษาให้บอกปริสุทธิ์ที่บอกปริสุทธิ์ที่เว่าแสดงตนว่าข้าพรเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลในท่ามกลางสงฆ์อะฮั่งพันเตปริสุทธโทติมังสร้างโคทาเรตุนะคือเป็นแสดงความบริสุทธิ์ในสงฆ์ว่า กับผมบริสุทธิ์ในศีลไม่ได้ทำให้เสียหายในหลักพระธรรมวินัยอันนี้ก็คือสององค์แต่อีกจำนวนนั้นต้องประวรณาประวรณาก็คือว่าสร้างคำบันเตอย่างหลวงพ่อก็กประวรณาในสงฆ์เหมือนกันนะขันธ์ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานคือในครั้งพระพุทธทเจ้าพระพุทธองค์ถึงวันประวรณา พระองค์บอกว่าดูก่อนสงเราประพันาในสงดูก่อนสงทั้งหลายถ้าวักฆ่าเราตถาคตกระทําสิ่งใดลงไปไม่เป็นที่พอใจหรือว่าเป็นที่ไม่สบายใจด้วยพวกท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของตถาคตให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนเราได้เออ อันนี้พระพุทธเจ้าปรนนธาในสงฆ์ภาษาริบุตรนั่งขยงปนมนมืออัญชลีใครเขาว่ายกมือท่วมหัวพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธองค์เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์สยามภูรู้แจ้งโลกทุกอย่างไม่สมควรข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์ไม่ควรไม่สมควรที่จะประนรณาในสงฆ์พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างแล้วมีแต่พวกข้าพระองค์เนี่แหละจะเป็นผู้ ประวรณาพระพุองค์บอกว่าบางทีอาจจะมีเนี่ย พ, พระองค์ถึงขนาดนั้นนะบางทีอาจจะมีเพราะว่า เ, เราอาจจะไม่เห็นพวกท่านทั้งหลายเห็นอันนี้ก็คือขนาดนั้นแหละพระพุทธเจ้าทั้งทีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตุดพ้นจากอาสะวะกิเลสแล้วท่านก็ยังปาราวัณาในสงฆ์แต่จะมีประวัณาครั้งเดียวหรือหลายครั้งอันนั้นในพระวินยัยท่านก็ไม่ได้ ตรัสไม่ได้บอกไม่ได้พูดเอาไว้มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าประเวณาในสงฆ์ครั้งหนึ่งที่ได้ยินในในพระไตรปิฎกนะจากนั้นพระสงฆ์ก็ตั้งแต่ภาษารีบูตรโมคขราพระษาวกทั้งหลายประเวณาในสงฆ์นั่งกระยงปนมมือ อ, อ, อันดับแรกก็คือว่านัโมเสก่อนนะ น, มมนัโมไปว่าพลาดไม่ได้นะ อให้ข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งพระทั้งห้าสิบพระองค์อย่างหลวงพ่อเนี่ยว่าณโมพร้อมกันณโมตัสสะพระเกวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจความแปลและความหมายว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมเดบพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้ น, นกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าสงฆ์ก็บอกว่าสั้างคำอวุโสปะวาเรมิ ติเทนวาสุเตนวาปริสั้งกายวาวัดันตุมังอาจัสมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัดสัน่นโตปฏิกริตสามิอันนี้คือพร ะ, พระบาลีนีแต่ความแปลความหมายว่าผมขอประวารณาต่อสงฆ์เมื่อท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีการพูดของผมก็ดีด้วยใจเรื่องลังเกียร ในแนวความคิดของผมว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ดีขอผมขอประวรณาในสงขอให้สงทั้งหลายตักเตือนข้าพเจ้าได้โดยธรรมตึกตักเตือนข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าประวรณาต่อพวกท่านทั้งหลายแล้วองค์ที่สองก็บอกกล่าวเช่นเดียวกันว่าสร้างคำพันเตพเพราะอนุอายุพรรษาน้อยกว่านะพันเตปูก่อนอวุโส สร้งขันสร้งคําปันเตปวาเรมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกา ย, ยวะเหมือนกันกระปอว่าขับผมขอปรวรณาในสงท่าให้พวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจลังเกียจทั้งว่าผมเป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดประการใดก็ตามขอให้สงทั้งหลายหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมจะได้สํารวมระวังต่อไปพอกล่าวถึงสามครั้ง ก็นั่งลงแต่เหลือนั่งกระยงนะนั่งกระยงปนมือเหมือนกับพระสาวกพระสาวกที่นั่งกระยงปนมือเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธสาวกของเรานั่งพระเพียบน่ะนั่งพระเพียบที่พระพุทธภาษาวกภาษาริโมคราสาริบุตรของเราแต่หลวงพ่อว่าไปเห็นพระวัดอื่นๆพภาษาวกทั้งวัดนั่งกระยงปนมือหลวงพ่อกลัวท่านจะเหนื่อยนะเพราะนั่งกระยง ทีนี้ทางไทยนั่นพระพุทธพระสาวกของเรานั่งพระเพียบนะ่ะทีนี้พอนั่งกระยงเสร็จแล้วองค์ที่สองที่สามที่สี่ที่หจนถึงองค์สุดท้ายแต่องค์สุดท้ายก็คงจะ <c oughs> หนักไปสักหน่อยเหมือนกันบนนั่งกระยงพนมมือนานนะ น, นี่แหละอันนี้คือการภา ร, รณาในส่ง เ, เมื่อปภาวณาเสร็จแล้วคนนะัะไอ้ค่ายกขาว่าเมื่อปภาวณาแล้วเนเมื่อเห็นหมู การกระทําของพระองค์ใดก็ไดหมูพวกเพื่อนองค์ใดก็ก็ตามนะก็ต้องว่าเก่าวตักเตือนถ้าองค์นั้นจะผยองพองตัวเอา้ามาพูดดูถูกอะไรผมอา้าวท่านประวราณาไว้ในสงฆ์ท่านจําได้ไหมเมื่อวันประวราณาท่านว่าอย่างไงจะไม่ให้หมูว่าเก่าวตักเตือนได้ไหมแต่ท่านพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านกระบฏต่อตัวเองเนะนี่ยเมื่อท่านประวราณาในสงฆ์สงฆ์ก็ต้องว่าเก่าวตักเตือนสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เพราะนั้นให้ท่านจงซ้ำรวมระวังท่านเมื่อท่านประวรณาในสงละท่านต้องกรรพบในคำพูดของท่านมันจึงจะถูกถ้ามันผิดหมู่สงฆ์ก็ต้องว่าผิดถ้ามันไม่ผิดเอาบอกมาชี้แจงมาทั้งสงฆ์ทังหมู่พวกเพื่อนก็พร้อมที่จะรับรับฝังในแนวความคิดเห็นของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านรอบคอบมากในท่าหลวงพ่อว่าสาหรับคณะศรัทธาญาติโยม ที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะการปรวารณาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในครอบครัวบางทีพ่อแม่ลกูกเ อ, อเลยจะพูดอะไรให้กันขันหลังให้กันหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกต้องเพราะการอยู่ด้วยกันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันมีมีแนวความคิดเห็นแบบเดียวกันพ่อแม่ลกูกลูกเขยลูกสะภย้ย ลูกชายเอามานั่งจูต่อหน้ากันในวันหนึ่งกันเรานัดกันมาทานอาหารก็ได้ในโต๊ะกินข้าวเอเอาวันนี้พวกเราประวรณาต่อกันนะลูกๆทั้งหลายเอพ่อนี่น ะ, ะการกระทําของพ่อนี่ไปในออกนอกลูก่นอกทางทําให้ไม่สบายใจสําหรับแม่บ้านก็ดีลูกๆทุกคนก็ดีพ่อยินดีให้พวกเราชี้นําที่บอกกล่าวว่า ที่พ่อทำไปนี่แนะ่ะไม่สบายใจที่ตรงไหนพ่ออาจจะมองไม่เห็นความผิดของตนเองแต่พวกลูกหรือแม่บ้านอาจจะมองเห็นในการกระทำของผมเพราะนั้นผมผมขอปรารณานะถ้าหากว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจก็บอกผมผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขการกระทำหรือแนวความคิดหรือการพูดของของผมเอออันนี้ก็คือการปรารถาในครอบครัว แต่แม่บ้านก็เหมือนกันทั้งพ่อบ้านก็ดีลูกก็ดีที่ฉันได้กระทาออกไปคิดออกไปทําออกไปพูดออกไปสิ่งไหนที่ไม่สบายใจของพ่อบ้านและแม่ของลูกๆทั้งหลายก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนเอฉันด้วยฉันจะได้สํารวมระวังในเรื่องนั้นๆต่อไปอันนี้คือลูกก็ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ผมได้กระทํำสิ่งใดลงไป ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่สบายใจก็ขอให้ว่ากก่าตักเตือนผมได้ผมจะได้ส้ำรวมระวังต่อไปลูกสาวก็เช่นเดียวกันพ่อแม่พี่ทั้งหลายเห็นว่าการกระทำของหนูเนี่ยไม่ไม่เป็นที่สบายใจก็ขอให้บอกกล่าวหนูได้หนูจะได้ส้ำรวมระวังต่อไปถ้าว่าพวกเรานำมาใช้ในครอบครัวหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกัน เพราะว่าการบางเสียงบางอย่างเราก็ไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันละกันแต่ตามไม่จริงการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันละกันนะเป็นผลดีเพราะบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกับผงทุลิรอเข้าในตาของตนเองนะอ่ะเอผงขี้เล็กๆมันเข้าไปในตาเราจะไปบอกเอ้ามันเข้าไปในตามันมองไม่เห็นเหลือทําไมแมว อ, ออกเองมันมองไม่เห็นเพราะมันเข้าใกล้เกินไป ต้องอาศัยคนอื่นเอาออกให้เอเคลียผงทลีเม็ดนั้นออกจากตาของเราออกให้เรานี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราบางสิ่งบางอย่างมันมองไม่เห็นเพราะมันตัวเองมันเคยชินมันเกินกระทําแต่ทําให้คนอื่นเรือดร้อนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่สบายใจในการพูดและการกระทํะาหรือแนวความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปรวรณา ในสงฆนี่แหละคําประวรัติาคํานี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันพี่ อ, อยู่ด้วยกันนั่นแหละเออคนอื่นไกลมันก็อื่นไกลไปแต่พี อ, อยู่ด้วยกันนั่นแหละเออที่จะทําให้เดือดร้อนหรือทําให้ไม่สบายใจทําให้ทุกใจขึ้นมาคนอยู่ใกล้กันนั่นแหละอคนอยู่ฟากฟ้ า, าเขาเขียวเขาไม่ได้มาทำอะไรให้ทําอะไรให้กับเรารอก พวกได้อยู่ใกล้กันนั่นละเอ้สิทำให้พวกเราเดือดร้อนเพราะนั้นทุกหน่วยทุกหน่วยราชการหลวงพ่อก็ว่าน่าจะเกิดประโยชน์เหมือนกันนะทุกหน่วยราชการเข้ามาแล้วก็เอาปรบวรณาต่อกัน เ, เป็นคำปรบปรณาบอกก่าวให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ถ้าว่าผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เป็นผู้น้อย การอยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหหลายเพราะว่ามีต่างคนก็ต่างเจตนาดีมุ่งหวังความดี เ, เพื่อจะขะจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากจิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนก็ต่างว่าตัวเองดีพยองพองตัวผลใี่สุดก็นั่นแหะการทะเลาะพิวาทกันได้ง่ายแต่ตามไม่จริงมันไม่ดีจริงนะสิทำมันดีจริงมันจะเดือดร้อนวุ่นวายอะไร แต่นี้มันดีดีป ล, มปลอมๆดีหลอกหลอกดีที่จะเอาตีเข้าหาตัวเองแล้วก็อความชั่วให้คนอื่นเขาแล้วก็ทํางานด้วยกันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนผลที่สุกเนี่ยเหมือนกับมะเร็งมะเร็งในร่างกายของเราเนะี่ยมันอยู่ในร่างกายของเรามันหมักอยู่ที่ตรงไหนมันหมักอยู่ในท้องมันหมักอยู่ในตับในปอดในที่ไหนไหนเดือดร้อนวุ่นวายทั้งร่างกายเลยแต่นี้เพราะเหตุไรเพราะว่ามะเร็งอยู่ในจุดนั้น มีทางเดียวทั้งเราตัดทิ้งอออพอตัดทิ้งก็บกเวกโวยวายท่านเยว่าไม่เป็นธรรมฮะพระตัวเองการกระทำของตอนเองนะั้นไม่มองตอนเองนะเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงพูดความสามัคคีกันแล้ว ท, ท, ทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายก็มีความสุขนะถ้าว่าแตกแยกสามัคคีกันในร่างกาย ร่างกายเนะ้าก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องความพร้อมเพียงความสามัครขี่ในหมู่คณะในหมู่ญาติ น, ะนี่แหละเอกไม่กี่วันข้างหน้าในวัดของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันนะต้องการความพร้อมเพียงความสามัครี่ก็เหมือนกันเพราะวันวันที่แปดพฤศจิกายน ออกพรรษาแล้วไม่กี่วันออกพรรษาวันที่27นะและก็วันที่8เป็นวันกรถินเป็นวันอาทิตย์ที่8เป็นวันกรถินวัดป่านาคําน้อยการกรถินก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อไม่ได้ว่าหลวงพ่อเด่นดังไม่หลวงพ่อเฉลียวฉลาดแต่พ่อพูดคนเดียวไม่ใช่ไม่ต้องอาศัยลูกน้องบริวารอาศัยลูกศิษย์ลูกหาอาศัยทุกคนที่เข้ามาร่วมกัน ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงสามัคคีของลูกศิษย์ลูกหานะไม่ใช่ว่าวัดนี้เป็นวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะพูดเสกคาถาเป่าฟูดฟาดละเม่ยชัยมันต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมทุกๆคนคนหนึ่งคิดได้สร้างสรรค์คิดไม่ในทางที่สร้างสรรค์นนะจะพัฒนายังไงจะทํำยังไงจึงจะเป็นไปเป็นไปได้ดีด้วยกัน อ, อไม่ใช่ว่าจะเรื่องอะไรจะมา ให้หลวงพ่อทั้งหมดหลวงพ่อเก่งเยอะแล้วล่ะมาหลวงพ่อของเราเนี่ยเก่งเยอะแล้วล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะอถึงราชสีทึ่มันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะในเมื่อมันติดบวกขึ้นมาแล้วก็ต้องอาศัยหนูกัดกัดเชือกให้เหมือนกันนะเอนี่เหมือนกันนะั่นแหละเรื่องราวทั้งหลา ย, ยที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มของเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะขอฝากไว้กับพวกพวกเราทุกๆท่าน แต่ถ้าหากว่ามีอะไรกมายโยนให้หลวงพอ่อมายโยนให้หลวงพ่อไม่ได้ไดอหลวงพ่อจะมาเสร็จงานหลวงพ่อก็จะมองมองหน้าลูกศิษย์เหมือนกันเอลูกศิษย์เราเนี่ยนะทาไมวะเอทําไม่วะหลวงพ่อก็จะว่าทําไม่วะอลูกศิษย์ของเราเนี่ยลูกน้องของเราเนี่ยทําไมวะต่อไปหลวงพ่อก็จะคิดอะไรต่อไปหลวงพ่อจะไม่พูดนะเอมีแต่ว่า บ, บอกให้ฟังว่าทําไมวะท่านเองนะ พอท่านขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะต้องช่วยกันนะงานนี้เป็นงานที่ใหญ่พอสมควรสําหรับหลวงพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่พอ่อหลวงพ่อเน้นหนักนั่นนะเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องที่จอดรถเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเอาหองอาหารและก็วันพวกนี้เนะี่ยจะมีการไปชุมเข้ามากับพวกในครัวพวกครัของเราดูดูพี่น้องลูกหลานของพวกเรามีอะไรขาดเหลือขาดโตกก็เอืออาบอกมาอ่านะ บอกมาตามขั้นตอนมันมีอยู่ช่องบอกดูแลนะขาดหรืออะไรที่จะช่วยกันดูแลสรุปแล้วคื อ, คอต้องการความพร้อมเพียงสามัคคีที่สุดในช่วงนี้นะ ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์นะพระลูกพระหลานทุกองค์นะช่วยกันแล้วก็จัดทายญาติโยมทุกคนที่รักเคารพหรือว่ารู้จักมักคุก้นการหลวงพอ่อ ก็ให้มีมีน้ำใจช่วยกันงานนี้ให้สําเร็จไปลูกหลวงหลวงพ่อต้องการความพร้อมเพียงสมบุกสมบัตมากที่สุดในช่วงนี้เรื่องที่ความคิดเห็นแปลกแตกต่างเอาทิ้งไว้ก่อนอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อหมู่ต่อคณะต่อวัดวาศาสนาต่อครูบาอาจารย์ต่อหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายนั่นแหละคือคิดให้สร้างสรรค์ คิดดีทําดีพูดดีตั้งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตเข้าไปเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษสุสมามเน็ทั้งต่อหน้าและรับหลังเขา้าเข้าไปตั้งวจีกรรมคือคําพูดแนะนําสั่งสอนด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมคือจิตที่เป็นธรรมในเพื่อนภิกษสุสัมมเน็ทั้งต่อหน้าและรับหลัง แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทำให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมาเนนไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวรักษาศีลบริสุทธิ์ให้เสมอกันเสมือนภิกษุสัมมนเนนอื่นอย่าไปทําเป็นตัวเอ็นเป็นเกเร เ, เป็นออกนอกลูกนอกทางและก็ทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันกับเพื่อนภิกษุสัมมาเนนนี่แหละ ให้ปรับทิฐิมานะคือความเห็นให้ตรงกันกับเพื่อนพิสูจนสมามเห็นได้อยู่ด้วยกันนี่แหละสารานิยธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสําหรับพวกเราถ้าว่าพวกเรามีความคิดเห็น แ, กแตกต่างกันรักษาศีลก็ย่อย่อนต่างกันได้สิ่งของมาก็ไม่รู้จักแบ่งแต่ทางคิดขึ้นมาก็มีแต่เจเืเบียดเปลี่ยนหักหลังหมุคนื่นการพูดออกมากแบบขวานฝาผ่านซาก ไม่เกงใจใครออการกระทำออกไปก็นะัออ้นมีตะหมัดมีตะมวยพวกเราคิดดูสิว่าการอยู่ด้วยกันจะสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรานำมาประพฤติธปฏิบัติท่านตรัดไว้ทั้งสองพัน้อกว่าปีมาแล้วนะถ้าเรานำมาประพฤติธปฏธิบัติยังเกิดประโยชน์นะคณะทะทาจารติโยมลูกหลานทุกคนนะต่ อ, ตอ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร รับผ่อนน่าตะีนะอุทิศสวนกุศลเอาพี่น้องลูกหลานจัดท้ายญาติโยมหน้า